วันนี้เรารวบระับสันหน่อยต่อไปนี้เราพวกเรานั่งสวยสบายภาวนาไปแล้วก็ฟังธรรมะไปต้องทำธุระให้เสร็จอยาขึ้นสลามาไม่ ก, กี่นาทีพากันลงไปปัสสาวะกันแล้ว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 เช่อย่างเวลาเรามารวมกันอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนสิเราขึ้นสไลมมาไม่กี่นาทีลงไปแล้วลงไปปัสสาวะกันแล้วก่อนมาเราก็นึกซะก่อน น, ะนึกปัสสาวะแล้วก็ไปปัสสาวะต้องหัดให้ได้อย่างนั้นไม่งั้นเสีย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 เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องมาลงหน้าเท่าไหร่เราเดินจากกุฏิเรามานี้ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราลุกขึ้นเราลุกขึ้นทำธุระส่วนตัวที่กุฏิเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เก็บบริขารน่นงองสว่ง ผมจีวรหรือแม้แต่ซ้อนผ้าน้หนาวอย่างนี้เนี่ยเราซ้อนผ้ามาจากกุฏิเลยก็ได้ออกจากกุฏิเพราะยังไงเราก็ต้องซ้อนผ้าไปบินตบาดอยู่แล้วเราซ้อนมาจากกุฏินงสบกเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยเก็บบริขารประมานุง่งจากนั้นแล้วก็เอาจีวรมาซ้อนสั้ตา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 เรากะว่าเราใช้เวลาสิบห้านาทีเสียจไหมบางคนอาจจะไม่เสร็จบางคนต้องยี่สิบนาทีหรือบางคนก็อาจจะสามสิบนาทีนี่อันนี้สำหรับคนที่ลุกมาพอดีพอดีนะตั้งนาฬิกาปลุกพอดีพอดีแต่สำหรับคนที่ท่านไม่ประมาทเนี่ยท่านจะต้องลุกลงหน้าสมมติอย่างจะมาสลาก่อนตีสี่สักยี่สิบนาทีเนี่ย เขาก็ลุกตั้งแต่นูน้นตีสามเสษเศสัะหน่อยเขาก็ลุกแล้วหรือไม่ตั้งแต่ก่อนตีสามสักนิดนิดหน่อยอาจจะมีโอกาส ล, ล, ลงไปเดินอาจจะลงไปเดินได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เตรียมบริการพร้อมหรือไม่ถ้าหากเราเตรียมบริขารพร้อมแล้วก็ลงเราลงมาจากกุฏิเราเนี่ยระยะเวลาสัก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 เวลานี้เราต้องเผื่อเร า, เอาพอดีไม่ได้หรอกเราต้องเผื่อมาสลากระกมาให้ท่านโมมาปัดมากวาดมาเช็ดมาถูเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องกะตรงเกณฑยนเท่นั้นแหละปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะให้ทันหมูคือเราไม่ตกข่วัดทาไมงั้นเราตกวันนี้เราตกพรุ่งนี้เราก็ตกมรื่อนี้เราก็ตกเราใจแป๊วแล้ว หมูเขาเอาไปหมดกวันละเราไม่ทันหมูให้มันได้ให้มันทันเขาวันนี้เราไม่ทันอันนี้แต่เราทันอันนู้นเราก็หยิบอันนู้นอวันนี้เราไม่ทันอันนู้นเรามาทันอันนี้ก่อนเราหยิบอันนี้เราทําอันนี้ข้อวัดการทําำข้อวัดก็คือวัตถปฏิบัติมันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นแหละมันเป็นการปฏิบัติทำ ขวัตต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการตะล่อมมาเพื่อเป็นการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นเพื่อปฏิบัติธรรมทั้งนั้นขวัดต่างๆเหล่านี้ปูอาสนะจัดบาตจัดอะไปูอาสนะเสร็จปูที่นั่งทําวัดส่วนมนเสร็จเสร็จแล้วเราก็หอมผ้าหอมผ้าเสร็จแล้วเราก็มานั่งสมมมันเราเสร็จก่อนหมู่เราก็มานั่งอใครจะรู้สึกว่าช้ากว่าหมู่ก็ต้องเร่งเร่งซะหน่อย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 ส <hit. S 1> มมเราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เราต้องล่านหลังเขาตลอดคืออะไร ims, อะไรก็ไม่ทันเขาตลอดหนักๆเข้าเราก็ไม่มีใครว่าเราอ่ะเราว่าเราเองเราตำหนิตัวเราเอง hmm. เพราะเราตำหนิตัวเราเองแล้วมันชักท้อใจมันชักก่อนใจมันชักไม่มีกำลังใจ hmm. ดูไปคนนั้นเหมือนเขาจะเพ่งแรงเราดูเหมือนไปคนนี้เหมือนดูเหมือนเขาจะเพ่งแรงเราหนักๆเข้าเลยเราแวงหมูมันมี มันมีคนแบบนั้นมีอมเหมือนอย่างที่ผมเคยเทศไปแล้วเคยเล่าให้หมูฟังไปแล้วมันมีหนักหนักเข้าไม่โทษตัวเองนะน่นไปโทษหมู่น่นว่าหมู่ไม่สนใจว่าหมู่ไม่เห็นดีด้วยอย่างงั้นอย่างนี้คนนั้นก็ไม่สนใจคนนี้ก็ไม่ไม่สนใจอะระแวงเด้ระแวงคิดว่าเขาคิดกับเจ้าของ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 เราทำไมทันกันมันอาจจะ น, น, นานๆมันอาจจะไม่ทันอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอันไปเห็นอาจไปเหตุสุดวิสัยบางทีก็มัแต่เข้าห้องน้าบ้างอะไรบ้างบันเหตุสุดวิสัยอันนี้เราเราให้คะแนนตัวเองเราตัดคะแนนตัวเองได้เราอย่าไปคิดคนดว่าคนอื่นเขาจะว่าเราเองเนั่แหละจะว่าตัวเราเองเนื่องจากว่าเราบกเราพร่องนี่ผมว่า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 คนแล้วคนเล่านะ่ะเนี่ยสองคนติ ด, ตดกันเ่็นไหมนี่มันตายน้ําตื้นทางนั้นหเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเรื่องตื้นๆเขินๆนายสุกเลยติดติดน้ําตื้นปลาตายน้ําตื้นเห็นไหมเนี่ยปลาตายน้ําตื้นผมถึงว่าพวกเราต้องอยู่อย่างปรับกันปรับจิตใจปรับเวลาเวลาปรับ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 ตั้งแต่เบื้องบนจนถึงเบื้องล่างเบือเ้องล่างจนถึงปลายผมนี่ะมันเป็นอ ว, วัยวะเดียวกันหมดสมมุติเรามีมดมีแมงมันขึ้นตรงไหนส่วนไหนของร่างกายของเราเนี่ยเรารับทราบได้หมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นอวัยวะเดียวกันเรารับทราบหมดหมดตัวเล็กๆมันไตขึ้นปลายเท้าของเราเนี่ยเราก็ทราบตัวเล็กๆน่ะเราก็ทราบนีมันรู้ทั่วถึงกันหมด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 นี่คือความเป็นอยู่เราต้องถือต้องถืออย่างนี้เราดูที่ทหารก็พร้อมเพรียงกันน่ะพืดปื๊ดปื๊ดปืปปปป๊เราอยู่กันไม่มากก็ตามเราอยู่มากขนาดนี้ก็ตามหรือน้อยกว่านี้ก็ตามแต่ว่าในเมื่อเราตั้งข้อว่าเราเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบเราจะต้องได้ให้ใหได้ตามบรรทัดฐานอันนั้นมันก็พร้อมเพรียงกันมันก็ได้ประโยชน์ มันมีข้อวัดมันมีการพัฒนากันไปในตัวทุกระยะทุกวันทุกเวลาที่เราจัดเราทำนี่เราพูดถึงตอนเช้านะพอเรามาพร้อมกันใครมา ก, ก่อนนั่งก่อนใครนุ่งผ้ายังห่มผ้ายังไม่ทันหมูเราก็นั่งคอยก่อนพอมาพร้อมหน้ากันหมดแล้วหวหน่ากระพาทำวัดเช้าทำวัดเช้ า, ชาปัดเช้าก็เหมือนกันนะใครที่ได้แล้ว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 เราเรือู้ว่าเราสวดตลอดมีความรู้ตัวว่าเราสวดตลอดมีความรู้ตัวว่าเราได้บุญตลอด mm hmm. นับตั้งแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอ mm hmm. จนถึงบทพุทธโธสุสุโธนะ่ะจนถึงบทสังเวชสังเวชสังเวชขปริกิตณะปาทันจานะนะบทสังเวชนะ่ะ อิทัตตาทาคาโตโลเกอุปปันโนโอรหังสมมาสัมพุทโธน่นคำว่าเช้านะในนั้นก็มีแต่เนื้อธรรมะทั้งนั้นนะชาติปิทุขาชราปิทุขามารานอมปิทุขังโสกะปริเดวดุขโดมานาสุปายาสาปิดุขา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 มันเป็นการาระลึกถึงคุณธรรมต่างๆเรา น, นั้นเนืองๆนืองเนี่ยผมว่ามันมีความสำคัญมากเลยทำวัดเช้าจากนั้นแล้วก็บทแพ p เมตตาเอ้ ย, บ ท, ย, ย, ยบทภาษสังคายาเนี่ยบทพิจารณานล้วก็ไปดูความหมายมีบทสังข ย, ยตอนค่ำกับบทอัจจมยาเสียแกไปดูบทแพ y เมตตา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 ท่านเป็นคนไปเลือกหัวข้อธรรมมาเลือกหัวข้อธรรมในพระไตรปิฎกเลือกมาแล้วก็เรียบเรียงเป็นบทสวดธรรมะเช้าธรรมะเย็นแล้วก็บทบุญยศิดานี่ก็ท่านก็เป็นคนเรียบเรียงอืมเป็นการแผ่ส่วนบุญอ่ซึ่งมันแตกต่างไปจากอิมินาแต่มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละะแต่มันแตกแตกต่างกันด้วยบทนิดหน่อยอืม ปกติครูบาอาจารย์บราณาจารย์ท่านนิยมสวดตอนเช้าท่านททญญาาา น, านิยมสวดบทท้ายปุญญสีดาในการตัดสักตอนค่าท่านนิยมสวดอิมินาปุญญากัมเมนะเหมือนอย่างที่เราสวดจบไปแล้วเมื่อกี้นี่ตอนค่าท่านนิยมสวดอิมินาตอนเช้าท่านนิยมสวดปุญญสีดาอันนี้คือการแผ่ส่วนบุญเพราะว่าการแผ่ส่วนบุญนี้มันเป็นการได้บุญอีกต่อหนึ่งท่านเรียกว่า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 พุทกำกับลมหายใจเข้าพะโทรกำกับลมหายใจออกนี่พอเรานั่งเข้าที่ปับ๊บเราก็กาหนดย้อนมาที่นี่ ท, ทันทีเลยน้อมความรู้สึกมาทั้งหมดน้อมความระ ล, ลึกมาทั้งหมดคือตัวสติตัวความระ ล, ลึกได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวมาทาความระลึกรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวน้อมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับ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 แทนที่เราจะหายใจเข้าว่าพุธเรากลับจะหายใจเข้าแล้ ว, ว่าโทเนเราหายหายใจออกว่าพุธเนี่ยมันสลับกันแล้วมันสลับกันแล้วเนี่ยมันไม่ถูกหลักแล้วเนี่ย ม, มันผิดหลักแล้วแสดงว่าเราสรับสนแล้วเราเรีบระลึกรู้สึกได้เราก็มาตั้งต้นใหม่กำหนดยอนจิตให้หนงนูงให้ดิ่งลงไปที่ลิ้นปีนหายใจเข้ากำหนดพุธ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 เชือบที่มัดววนคือสติกับสัมพชัญญาหลักตีไวส้สำหรับเอาเชือกไปมัดอยู่นัน่นคืออารมณ์ของจิตเรามัดให้อยู่กับหลักนี่แหละหลักคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธอืไม่ปล่อยไม่ทิ้งความรู้สึกเราพยายามระลึกรู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกนะ่นมันเป็นยังไงระลึกเข้ามาจีสติเป็นงไงสติคือความระลึกได้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 สติเราดีขึ้นพอมันเริ่มไปเราจับได้จับได้แล้วก็ดึงมาไปปุ๊บเราลุกได้ปั๊บดึงมาไปปุ๊บเราลุกได้ปั๊บจับมาจะมาจะมาจน ม, มันอยู่พอมันอยู่พอมันอยู่ในนี้สันหน่อยมันอยู่ใน น, นี้สันหน่อยด้วยเหตุที่เราบริกรรมเนี่ยเนี่ยทําบริกรรมของเรามันไม่ต่างอะไรกับอาหารเราอัดเข้าไปเหมือนกับว่าเราให้จิตมันดูดดื่มกินไปเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธลมหายใจเข้าหายใจออกก็หนดตามไป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 เราสามารถทําได้ยืนเราก็ทําได้เดินเราก็ทําได้นั่งนอนเราก็ทําได้เราอยู่ในอิริยาบดใดเราก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนี่คือการเราก็พัฒนาเราไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยใครทําได้อย่างนี้คนนั้นชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทแล้วสามารถที่จะทําจิตของเราให้อยู่ในอิริยาบดแห่งความสงบทุกขอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตเราเริ่มสงบ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 ที่แข็งกล้าคือสติตัวสติตัวสัมปชัญญะที่แข็งกล้าภายในจิตเป็นผู้กำกับจิตเป็นผู้นำของจิตเป็นผู้กากับดูแลจิตจิตสัมปชัญญะเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องมือกำกับดูแลจิตการที่จิตของเราสงบมันสงบได้เพราะว่ามีสติมีสัมปชัญญะกากับเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะกากับจิตก็สงบเมื่อสงบแล้วเราก็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 ร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอาการ32อาการ32นี้แยกเป็นธาตุดิน20แยกเป็นธาต์น้ํำ12เข้า่าธาต์ก็คือสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คํำว่าธาต์ธาต์แปล ว, ว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมูลเดิมของมันต้าเรียกว่าธาต์ธาตุดินอาการของธาตุดินในกายของเราก็มี20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 รับทานข้าวขนมนมเนยต่างๆแล้วก็รับทานน้ําเข้าไปน้ํานี่จะเป็นตัวไปช่วยเป็นตัวนําในการกระจายธาตุต่างๆเหล่านั้นไปสู่สารพังร่างกายร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไปผลิตเป็นนู้นไปผลิตเป็นนี้ไปเป็นอาหารที่ไปบํารุงร่างกายทําให้ร่างกายนี้มีได้เปลี่ยนได้อยู่ได้มีธาตุทั้งสี่คุมกันอยู่คือธาตุดินธาตุาตน้ํา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 ถ้าเราจะเที่ยวกั็เหมือนแกงในหม้อนั่นแหละมีอะไรบ้างที่จะเข้าลงไปในหม้อนับตั้งแต่น้ําอำพริกเกลือปลาเนื้อแล้วแต่ผักอะไรก็แล้วแต่จะใส่ลงไปอะไรดีๆนั่นแหะถ้าเราจะเที่ยวมันนะนันตนะเรียวกว่าแกงหรือทุกอย่างที่เราเห็นเน่ยถ้าหากเราดูง่ายๆดูง่ายๆไปที่เทียนเนี่ยคือสังขารอันหนึ่ง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 ในไฟนั้นก็มีแสงสว่างมีความร้อนมีควันมีสีในขณะเดียวกันมันไม่มันไม่ปกติมันไม่คงที่เราเห็นความไม่คงที่ของขอบเปลวเทียนเราเห็นความไม่คงที่ของไฟที่มันกินเชื้อไฟมันจะดูดขึ้นไปอมันจะทําให้ที่พึ่งเดือดปดปัดปัป๊ดปัป๊ดมันดูดขึ้นไป ในขณะที่แสงมันต่อเนื่องไปเราคิดว่ามันจะอยู่คงที่มันไม่อยู่คงที่มันดูดน้ําใหม่ๆขึ้นไปกินอยู่เรื่อยดูดขี่ผึ้งตัวใหม่ๆดูดไปกินดูดไปกินไอตัวที่มันกินอยู่ก็หมดไปไหม้มอดไปดูดตัวใหม่ขึ้นไปเรื่อยดูดขึ้นไปเรื่อยเราจะเห็นว่าเทียนเนี่ยสั้นเข่าสั้นเข่าสั้นเข่าสั้นเข่าสั้นเข่านี่คือสังขารมันทํางานถ้าเราจะเทียบร่างกายของเราก็เหมือนกับเทียนนี่แหละ เราใส่อะไรเข้าไปมันก็บดมันก็ย่อยมันจะไม่อยู่คงที่ของมันความไม่คงที่ของมันนี่แหละท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังเราไปบังคับบัญชามันไม่ได้ดอกไปบังคับบัญชาไม่ได้เราเอาอะไรใส่เข้าปากเราเอาอนี้ใส่ปากเข้าไปแล้วขอให้มันเออปิมอยู่ตั้งห้าวันสี่วันน่ะขี้เกียจมากินบ่อยๆขี้เกียจมาหาอยู่หากินบ่อยๆให้มันอิ่มไปสักเดือนหนึ่งให้มันอิ่มไปสักปีหนึ่งเราบอกไม่ได้ดอก พอไปแล้วมันก็ไปบดไปตีไปย่อยไปสลายอะไรทของอะไยตามระยะกําหนดเวลาของมันนั่นแหละเช่นอย่างเรารับทานน้ําเข้าไปรับทานอาหารเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันก็ไปบดไปย่อยการบดการย่อยของมันน่ะมันทําไปตามหน้าที่ของมันเราจะจะต้องการให้มันบดหรือไม่ต้องการให้มันบดมันก็บดตามหน้าที่ของมันเราไม่ต้องการให้มันย่อยมันก็ย่อยมันก็สลายตามหน้าที่ของมัน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 เหมือนอย่างเชลลต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราใส่อาหารไปมากๆมันก็ขยายตัวได้เยอะมันก็ทําให้เราสังขารรึคือร่างกายของเราเนี่พองขึ้นอ้วน p ีขึ้นกําลังวังชาก็ดีขึ้นสมมติเราไม่ค่อยใส่ให้มันไปเช่นอย่างเราอดข้าวสนั้นวันท่นี้วันสังขารร่างกายมันก็แฟบลงตัวเซลล์มากๆเยอะๆที่เคยมีเมื่อก่อนนั้นน่ะอันนั้นก็ตายไปอันนี้ก็ตายไ ป, นนยไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดตาเกิดตายเกิดตายเกิดตาย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 ไม่งั้นเราจะเอาเอวัยวะคนน่ยไปใส่แทนกันไม่ได้เช่นอย่างกขาเอาอะไรไปเสริมจมูกไงใช่ไหมเอากระดูกอ่อนนะไปเสริมจมูกเพอไปใส่ซะหน่อยเดี๋ยวเนื้อก็ในกระดูกนเนื้อของกระดูกมันก็เชื่อมสัมพันสกันเพราะว่าต่างมีชีวิตเนี่ยชีวิตกับชีวิตมันก็เชื่อมถึงกันถ้าเราจะเที่ยวเมื่อกล่เราไปตอนเราไปตอนกิ่งมะม่วงเราไปตอนกิ่งมะนาวเนี่ยพอเราไปตอนซะหน่อยหนึ่งด้วยเหตุที่ว่า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 อยู่นอกท้องแม่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่นั่นแหล ะ, อ, ะอยู่ในท้องแม่เนี่มันเชื่อมประสานกันด้วยสายรกเห็นไหมสายรกคือท่ออาหารท่ออาหารมาอย่างไหนมาจากแม่แม่ได้อาหารยังไงลูกก็ดูดกินนั้นได้เผ็ดก็ดูดเผ็ดเข้าไปได้ร้อนก็ดูดร้อนเข้าไปได้เย็นก็ดูเดเย็นเข้าไปได้อาหารจืดก็ดูดจืดเข้าไป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 เราภาวนาไปจนถึงขั้นว่าปัญญาญาณเกิดญาณเกิดญาณทัศนาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาภายในจิตภายในใจของเรากิเลสส่วนนั้นก็ตกไปอส่วนไหนที <language> <an> ่ยังเหลือเราก็ขยับเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกให้เห็นสาเหตุให้เห็นต้นต่อที่แท้จริงของมันเมันตกไปมันก็ร่วงไปส่วนไหนที่ยังเหลือเรากขยับเข้าไปอีกพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเห็นต้นต่อของมันด้วย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 จนเ ก, เ, กจเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขั้นไหนขั้นที่ว่ามีญาณทัศนะเกิดขึ้นในหัวใจของเราญาณทัศนะนี่เป็นผลขณะที่เราตั้งใจทําเหมือนอย่างเราบวชเราอัดเราอะไรทําอะไรต่างๆจนได้ที่ญาณทัศนะคือผลที่จะพึงปรากฏขึ้นมาโดยที่ประสิกธิจากความเจตนาความจงใจภายในหัวใจของเราเมื่อนในเมื่อเราเกิดญาณทัศนะมาประหารมาตัดฉิน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 ชักล่าหัวจิตหัวใจของพงเข้ารกเข้าพงไปแต่ละภพแต่ละชาติก็มาชำระมาสิ้นสุดลงพระยะสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเคยตรึงเคยรึงเคยรัดพันหัวจิตหัวใจมากี่ภพกี่ชาติก็สามารถรื้อไปแล้วก็หลุดพ้นไปได้แล้วก็ไม่ต้องมาได้รับกองทุกองโทษอันเป็นไปในวัฏฏะสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้น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 ในระหว่างที่เราศึกษาเราไปอบรมเข้าไปศึกษาเรื่องศีลก็ศึกษาเข้าไปศึกษาเรื่องสมาธิก็ศึกษาเข้าไปศึกษาเรื่องปัญญาเราก็ศึกษาเข้าไปเราเริ่มมีสมาธิเราเริ่มมีปัญญาเราเริ่มได้ปัญญาญาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเราเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าถือว่าเราเดินตามร่องรอยท่านไปแล้วเรามีความสุขมีความเอิบอิ่มจะทาให้ชีวิตจิตใจของเราเนีน่ยเด่นขึ้นสูงขึ้น สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆขาดเข้าไปเรื่อยๆเกล้าเข้าไปเรื่อยๆเอียดเข้าไปเรื่อยๆแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆควมาสามารถจัมเรกิเลตอสวะทั้งหลายที่มีอยู่ภายในหัวใจของเราหมดหมดจดโดยสิ้นเชิงขาดไปจากขันธสันดานอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำํำถ้าเราไม่ลืมตัวเราลึกเนืองเนือ ง, งว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่บนเส้นทาง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 เห็นโทษของเราเลเห็นยิ่งเห็นเท่าไรเราก็ยิ่งพยายามปัดไม่ให้มันมาเกาะหัวใจเรายิ่งเห็นเท่าไรก็ยิ่งปัดไม่ให้มันมาเกาะหัวใจของเราเห็นเท่าไรยิ่งปัดพยายามหนีมันให้พ้นอ่ะไหนที่สุเราก็พยายามถีบตัวให้พ้นออกจากมันไปได้เป็นปราะเป็นปราะเป็นปลอกแก้เพลย์แก้เพลย์แก้เพลย์อ่าทาลายความลุ่มหลงนี่แหละเดี๋ยวนี้เราแก้ไม่ได้เราก็อยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยความสงสัยสนเทศสิ่งที่เราสงสัยนั่นแหละ